เป็นไงเอโซพอไหวไหมรู้อย่างจิตที่ใช้ทำสมาธิเป็นแบบไหนจิตที่ใช้เจริญปัญญาเป็นแบบไหนหรู้ออกไหมจิตทำสมาธินะมันสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวทำสมถะจิตที่ใช้เดินปัญญาทำวิปัสสนานะอารมณ์ไม่ใช่อันเดียว จิตนะ่ะตั้งมั่นเป็นคนดูดูสบายๆดูลูกเดียวเลยแต่อารมณ์นับไม่ท่วนในความแตกต่างตัวสำคัญเลยงื้นอย่างถ้าเราน้อมจิตให้นิ่งเฉยว่างๆไม่มีความเปลี่ยนแปลงอารมณ์คงที่อยู่นั้น น, นั้นสมถะนะต้อระมัดระวังถ้าแยกไม่ออกระหว่างสมถากวิปัสสนาเนี่ยการภาวนาจะใช้เวลาเยอะมากเลย ลมลุกลุกค ล, ล, ลานนา น, นดีบรรยากาศ <c oughs> โรแมนติกดีมีเสียงไก่ร้องเสียงนกร้องเนาะ <c oughs> หลวงพ่อสอนหลักของการปฏิบัติให้พวกเรานะเพื่อว่าเอาไปปฏิบัติเอาไม่ใช่เพื่อเอาไปคุยนะเราจะรู้ว่าพิธีปฏิบัติยังไงถูกยังไงผิด แยกแยะชนิดของการปฏิบัติได้ เ, เพื่อตัวเราเองไม่ได้ไปเอาไปพิภาควิจารณ์คนอื่นนะอย่างเราไปเห็นคนอื่นเขาสอนอย่างนั้นอย่างนี้เลยเรื่องของเขาช่างเขาทางใครทางมันบางคนเขาก็ต้องเดินอย่างนั้นอ้ อ, อมอ้อมไปก่อนคนไหนอินทรีย์แก่กล้านะบารามีมากๆเข้าทางเร็ว เลือกไม่ได้หรอกว่ากันไม่ได้หรอกไม่ใช่ทุกคนจะทําวิปัสสนาได้บางคนส่วนใหญ่เรียนไม่ถึงวิปัสสนาเรียนไม่ได้ด้วยใจไม่ถึงเคยอ่านเรื่องกรมนิตรไหมกรมนิตรบาสิทถีกรมนิตรไปพบพระพุทธเจ้าที่บ้านช่างปั้นหม้อในโรงปั้นหม้อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟัง กาม น, นิสฟังไม่เข้าใจใจมันยอมรับไม่ได้กพระพุทธเจ้าสอนถึงไตรลักษ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมานะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความรักก็มีความทุกข์นะเพราะว่าความรักก็ยังเป็นของแปรปรวนอนะไรเนี่ยมันฝืนความรู้สึกมากเลยสิ่งที่กาม น, นิสแสวงหา ก, กามนิสแสวงหา ก, ก็อย่างพวกเรานี่แหละเราแสวงหากามเขาตั้งชื่อดีนะ เราเสแสวงหากรามเราหาความสุขความเพลิดเพลินเราต้องมีตัวเราต้องมีของเราพระพุทธเจ้าสอนให้ล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนไม่ให้เห็นว่าพบใดจะวิเศษวิโสแค่ไหนท่านก็ชี้ให้เห็นมีแต่ทุกข์ไม่มีพบที่มีความสุขการนิตรับไม่ได้คำนี้คิดว่ามันต้องมีเพียงแต่ตัวเองยังหาไม่เจอแต่พระพุทธเจ้าคงจะหาเจอ ขนาดเจอพระพุทธเจ้านะได้ยินธรรมะเรื่องความไม่มีตัวมีตนรับไม่ได้เพราะมันฝืนความรู้สึกความรู้สึกที่รักในความมีตัวมีตนรักในกามในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพธพะ ร, รักความสนุกสนานเพเลิดเพลินทางใจต้องการสิ่งเหล่านี้คนส่วนใหญ่ก็เหมือนกามนิทนั่นแหละถึงได้ฟังธรรมก็เข้าใจไม่ได้มันฝืน อย่าว่าแต่พวกเราพวกคนอื่นที่เขาไม่ได้สนใจที่อยากพ้นทุกข์เลยพวกเราเองที่อยากพนทุกข์เมื่อเราภาวนาพอเราเริ่มเห็นความจริงว่ารูปธรรมนามธรรมมีแต่เกิดแล้วดับสังเกตไ้ใจเป็นยังไงสดชื่นไหมเห็นที่แรกไม่สดชื่นนะบางคนนี่เซ็งเลยบางคนรู้สึกเวิง้งว้างว่างเปล่าว่างเ ว, วงนะบางคนก็รู้สึกกลัวว่าตัวเราหายไปคนเบือ่อ เบื่อจับจิตจับใจเลยเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างเลยชีวิตนี่แห้งแล้งมากเลยเพราะอะไรเพราะจริงๆใจยอมรับไม่ได้ว่าจะไม่มีตัวเรามันรักที่สุดคือตัวเรานั่นเองยังธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่ธรรมะของคนส่วนใหญ่หรอกสิ่งที่ท่านสอนนั้นเป็นประโยชน์กับคนส่วนใหญ่เพราะท่านมีธรรมะหลายระดับธรรมะสาหรับคนซึ่งยังรักในตัวในตใ น, ตนท่านก็มีให้ธรรมะที่จะอยู่กับโลก ธรรมะของพ่อกับลูกของแม่กับลูกของลูกกับพ่อแม่ของสามีพัญยาธรรมะระหว่างเพื่อนฝูงระหว่างผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชามีหมดเลยธรรมะที่จะทำให้ร่ำรวยอย่างมีเลยนี่นานาชนิดยิ่งธรรมะที่ท่านสอนนะกว้างกวางมากคนส่วนน้อยหรอกที่จะภาวนาไปสู่ความพ้นทุกข์ท่านถึงจะสอนธรรมะที่ประณีตสูงขึ้นไป ธรรมะที่ไม่มีตัวมีตนนี่พวกเราเป็นคนส่วนน้อยสนใจอยากพ้นทุกข์จริงๆเราไม่ใช่แค่อยากทำทานถือศีลแล้วต่อไปชีวิตจะได้เฮงอะไรเงี้ยไปทำทานไปถือศีลอะไรเงี้ยชีวิตดีดีตั้งแต่ตอนนี้นะแล้วก็อนาคตก็ดีมีความสุขตายไปขึ้นสวรรค์อะไรตอนไหนเดีเราไม่ได้ต้องการตื้นๆแค่นั้น ถ้าเรามีปัญญาพอเราก็เห็นความสุขในโลกมันเป็นของชั่วคราวกระทั่งสวรรค์ก็เป็นของชั่วคราวในเรื่องกา ร, รมา น, นิสเองสอนให้เห็นสวรรค์เป็นของชั่วคราวมีตอนที่สวรรค์แตกสลายพวกเทวดาก็โอ้ทุรนทุรายเศร้าใจสวรรค์จะแตกสลายได้ไหมได้ก็เป็นพบันหนึ่งะนะนพบันหนึ่งมันอยู่ไม่ได้หรอกอยู่ได้ชั่วคราวพร ม, มโลกล่ะอยู่ตลอดไหม ไม่ตลอดนะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งหมดเลยนี่พวกเราก็เห็นนะอย่างพวกเราทําความดีสารพัดเรามีความสุขขึ้นมาความสุขอยู่ช่วคราวเดี๋ยวก็ทุกข์อีกลนะนี่ก็ทุกข์อย่าสมยปีนี้เราขยันทํางานนะเราได้ขั้นเยอะเลยได้เงินเดือนเลื่อนเยอะได้เลื่อนตําแหน่งปีหน้าก็ไม่ใช่ว่าจะได้เลื่อนอย่างนี้อีก ขยันของปีนี้แล้วก็ใช้หมดไปแล้วรับผลประโยชน์หมดไปแล้วต้องทํากันใหม่เพื่อปลูกข้าวทานาเหน็ดเหนื่อยแทบตายได้ข้าวมาเอาไปขายเอาไปกินหมดไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องทําใหม่ในโลกที่เป็นอย่างนั้นมันมีแต่ของหมดไปเรื่อยๆคนที่ไม่ประมาทจ้ เ, เห็นโทษของโลกเว่าโลกนี้เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้จริง เรเห็นว่าโลกเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้จริงนะมันก็หาทางออกจากโลกนะี่ไปหลงกับมันมาเรียนรู้มันสิ่งที่เรียกว่าโลกนั้นพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้หลายไวยะนะถ้าบัญญัติให้พวกที่มีตัวมีตนฟังพวกที่ติดในเรื่องตัวตนนะั้นท่านก็บอกโลกคือหมูสัตว์พวกเรานี่เป็นสัตว์โลกมีคนโน้นคนนี้มีหมามีแมวนี่เป็นสัตว์โลกคือหมูสัตว์ แต่สําหรับคนซึ่งภาวนาไม่มีตัวมีตนนะมุ่งไปสู่ความละความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนอย่างพวกเราจะทํำพิปัสสนานี่ท่านนิยามโลกก็คือรูปน้ำอะไรคือโลกรูปน้ำนั่นแหละคือโลกรูปนามไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่โลกคือหมู่สัตว์แล้วใช่ไหมธรรมะมีหลายระดับนะนี่เรามาเรียนรู้โลกให้แจ่มแจ้งมาเรียนรู้รูปน้ำให้แจ่มแจ้งจนจิตนี่เป็นกลางกับรูปน้ำ ในสติปัฏฐานนั้นท่านใช้คําว่าวินยะโลเกอภิชาโทมานัสสะถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกเสียได้ถอดถอนความยินดีร้ายในโลกก็คือความยินดียินร้ายในรูปนามนั่นแหละนี่เรามารู้ลงไปในรูปในนามนะคอยรู้สึกตัวในขั้นของการเดินปัญญา เ, เรามีสติรู้รูปรู้รรนามที่กําลังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรามีสมาธิมีใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะ ดูห่างๆเห็นรูปนามมันแยกออกไปมันอยู่ห่างๆมันทํางานของมันไปเรื่อยไม่มีตัวมีตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นี่เห็นซ้ําๆๆๆไปนะแรกๆใจไม่ยอมรับมันหวั่นไหวขึ้นมาเบื่อบ้างเซ็งบ้างเบืองว่างบ้า ง, างใจคอกลัวกลัวตัวเราหายไปกลัวแต่พอเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกแนละ้วใจค่อยเป็นกลางขึ้นเรื่อยๆ ถ้าใจเป็นกลางมันรู้เนี่ยรูปนามไม่ไม่ใช่ของดีของพิเศษอีกต่อไปละแต่หนีไม่ได้จะห น, นีไปอยู่อเมริกานะ <c oughs> ก็เารูปนามไปไปขึ้นไปอยู่ดวงจันทร์ <c oughs> ก็เอารูปนามไปไม่มีที่ไหนเลยที่เราหนีไปแล้วไม่ได้เอารูปนามไปด้วยเพราะงั้นเราต้องอยู่กับตัวทุกรูปนามนั่นแหะเป็นของไม่ดีเป็นตัวทุกต้องอยู่กับมันหนีมันไม่ได้วันนี้มันไม่ได้อยู่กับมันถ้าอยู่แบบไม่พอใจนะก็ ทุกมากใช่ไหมใจไม่สบายถ้าอยู่อย่างเป็นกลางก็ทุกน้อยหน่อยมีใครแต่งงานนานๆและมีไหมแต่งงานนานๆนานๆบางทีก็เบื่อใช่ไหมมีไหมหรือหวานแหววทุกวนัน <c oughs> อยากให้มันหายไปมันก็ไม่หายเจอมันทั้งวันเลย <c oughs> <c oughs> ไอแก่นี่เบื่อแล้วไนะอแก่นี่เบื่อแล้วมันไม่หายไปไหนต้องอยู่กับมันอะ อยู่มันแล้วอยู่ยังไงถ้าอยู่แบบเป็นกลางนะก็ไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่ที่บ้านใครมีโต๊ะมีเก้าอีบ้บ้างมีไหมมีทุกบ้านมัง้งเห็นทุกวันทุกวันแล้วมองมันม้างไหมนี่เป็นกลางกับมันเปล่าจริงๆไม่ใช่กลางนะอันนี้อันนี้ไม่สนใจนะคนละแบบกันนะเป็นกลางไม่ใช่ไม่สนใจนะรู้อยู่แต่ว่าไม่ยินดีไม่ยินรายไม่ใช่ไม่มอง คนไหนเป็นสามีมาเกินสิบปีแล้วมีไหมในนี้มีไหมนเนมหม <S <S ชา้าๆภรรยาตแต่งตัวไงนึกออกไหมนึกยากนะเหมือนเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้แล้วไอ้อย่างนี้ไม่ใช่เรียกว่าเป็นกลางอย่างนี้เรียกว่าไม่สนใจเพราะงั้นเวลาที่เราจะเป็นกลางกับรูปนามนะไม่ใช่ไม่สนใจมันนะ รู้มันอยู่นะไม่ใช่ไม่สนใจทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วบอกว่าเป็นกลางอันนั้นใช้ไม่ได้ทั้งๆที่รู้อยู่นี่แหละเห็นอยู่ว่ามันเป็นของไม่ดีนะมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ใจไม่ดิ้นรู้แล้วจบลงที่รู้รูแล้วเป็นกลางจริงๆทีแรกไม่เป็นกลางหรอกทีแรกมันก็ดิ้นดิ้นไปดิ้นไปก็รู้ว่าไม่มีทางหนีนะพอไม่มีทางหนีก็เฝ้ารู้เฝ้าดูมันเรื่อยไปใจไม่พอใจขึ้นมาก็รู้ทันไม่พอใจขึ้นมาก็รู้ทัน ่สุดใจค่อยเป็นกลางใจค่อยๆยอมรับความจริงได้ไม่ใช่ตายด้านนะไม่ใช่ชาชินนะเราเป็นกลางไม่ใช่แต่ว่าใจมันเห็นความจริงว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวอกุศลก็ชั่วคราวงั้นเราจะไม่เป็นหลงเอาของชั่วคราวมาเป็นที่พึ่งที่อาศัยเราไม่ได้พาวนาเอาความสุขอีกต่อไปแล้วเพราะความสุขเป็นของชั่วคราวเราไม่ได้พาวนาเพื่อจะเป็นคนดีเพราะความดีมันของชั่วคราวนะ แต่เราภนานจกนกระทั่งใจนี่มันเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เฉยเมยไม่รับรู้รับรู้สภาวะทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่รู้ด้วยความเป็นกลางเนี่ยพอใจมันเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะสุดท้ายมันจะเห็นมาทุกอย่างนี้เป็นของชั่วคราวความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวอกุศลก็ชั่วคราวเพราะไม่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเสมอกันหมดเลยมีแต่เกิดแล้วดับนะเท่าเจียมกันหมด ความสุขเกิดขึ้นจิตก็ไม่ดิ้นรนที่จะให้มันอยู่นานๆความสุขยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่ดิ้นรนที่จะแสวงหามันความทุกข์ยังไม่เกิดก็ไม่ดิ้นรนต่อต้านไม่ให้เกิดความทุกข์เกิดแล้วก็ไม่ได้ดิ้นรนหาทางทําลายมันจิตหมดความดิ้นรนกุศลเกิดขึ้นนะก็รู้ว่ามีกุศลอยู่นไม่ได้คิดว่ากุศลจะต้องอยู่นิรันดร์กุศลก็ไม่เที่ยงกุศลเที่ยงไหม อย่างที่แรกเราหัดมีสติใช่ไหมสติตอนหัดใหม่ๆสติน้อยนึกออกไหมแต่อไปสติเยอะนี่สติก็ไม่เที่ยงนะจากน้อยๆมากขึ้นมากขึ้นนี่ก็แสดงความไม่เที่ยงเหมือนกันไม่ใช่ว่ามีสติแล้วต้องขาดสติถึงจะไม่เที่ยงนะมีสติน้อยๆแล้วเกิดสติมากมากนี่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันสติมากมากกลายเป็นสติอัตโนมัตินี่นี่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะมีของไม่เที่ยงเหมือนกันสมาธิก็เหมือนกัน เดิมฟุ้งซ่านเยอะตอนนี้สงบมากขึ้นก็แสดงความไม่เที่ยงสมาธิไม่เที่ยงสงบขนาดนี้แล้วแต่ไปสงบลึกซึ้งกว่านี้อีกก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ต้องเลวลงต้องหายไปหรอกนะดีขึ้นก็ไม่เที่ยงเลวลงก็ไม่เที่ยงเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะใจเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความแปลปรวนมีแต่ความไม่เที่ยงใจเป็นกลางนะ มีแต่ของบังคับไม่ได้ใจเข้าไปสู่ความเป็นกลางความสุขเกิดขึ้นไม่หลงยินดีเมื่อไม่หลงยินดีนะก็ไม่ดิ้นรนที่จะสแสวงหาความสุขไม่ดิ้นรนที่จะรักษาความสุขเอาไว้ความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่ยินร้ายก็ไม่ดิ้นรนที่จะปฏิเสธมันจิต ท, ที่หมดความดิ้นรนแนละ้วเนี่ยหมดตัณหาหมดความอยากก็จะหมดความดิ้นรนเน ห, หมดตัณหาได้เพราะมีปัญญาเห็นว่าทุกอย่างเป็นชั่วคราวนะ เห็นใจรักนั่นแหละก็หมดตัณหาพอหมดตัณหาก็หมดหมดความอยากก็หมดความดิ้นรนพอหมดความดิ้นรนนะก็พ้นความปรุงแต่งสภาวะที่หมดตัณหาหมดความปรุงแต่งดิ้นรน น, ะนี่น เ, เรียกว่านิพานนิพานมีชื่อหลายชื่อนิพานอันหนึ่งชื่อว่าวิราคะวิราคะคือไม่มีตัณหาไม่มีอยาก นิพพานมีอีกชื่อหนึ่งชื่อวิสังขารไม่ปรุงพ้นจากความปรุงไปถ้าใจยังอยากนะใจก็ปรุงแตง่งใจปรุงแตง่งใจดินน้นรนสร้างพบสร้างชาตินั่นแหละใจก็จะทุกข์ขึ้นมานี่ทำไงจะหมดความปรุงทำลายตัณหาได้ความปรุงของจิตก็หมดทำไงจะทำลายตัณหาได้เมื่อเห็นความจริงของทุกข์ทุกข์ก็คือตัวขันถ้ารู้ทุก ก็จะทำลายสมุทัยทำลายตัณหาได้ทำลายตัณหาได้ก็แจ้งนิโรธคือเห็นพระนิพพานได้นี่ธรรมะของพระเจ้านะต้งเรียนเข้ามาให้ถึงตรงนี้อยากคิดว่ายากเกินถ้าไม่ฟังเลยนะันก็ยากไปทุกพพทุกชาติฟังแล้วก็ลงมือรู้ทุกข์ซะตั้งแต่ชาตินี้ต่อไปมันก็ง่ายถ้าเร า, าท้อแท้ธรรมะอะไรว่าพระองค์นิเทศอะไรฟังยากเหลือเกิน ไม่ฟังดีกว่าก็ไปฟังอย่างที่เคยฟังฟังธรรมะซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับการรู้รูปนามตามความเป็นจริงเจริญปัญญาไม่เป็นอก็วนเวียนอยู่ในกองทุกข์เรื่อยไปอย่างตอนนี้ฟังหลวงพ่อพูดอาจจะรู้สึกยากยากไม่เป็นไรซีดีมีให้ฟังฟังแล้วฟังอีกฟังห้าเที่ยวไม่รู้เรื่องฟังเป็นสิบเที่ยวต้องรู้เรื่องจนได้แหละคงไม่โง่อมตะหรอกเพราะโง่ก็ไม่เที่ยง <laughs> ฟังสิฟังเข้าไปนะนี่แหละคือสุตตะมยาปัญญาละ่ะฟังให้มากนะฟังไปฟังไปในสุดใจจะตื่นขึ้นมามีอาจารย์สอนอภิธรรมบางท่านนะท่านสอนถึงขนาดนี้อย่าเพิ่งปฏิบัติท่านพูดอย่างนี้นะอย่าเพิ่งปฏิบัตินะฟังให้เข้าใจซะ ก, ก่อนฟังให้เข้าใจซะ ก, ก่อนก็คือเรียนปริยัตินั่นเอง ฟังอะไรให้เข้าใจฟังวิธีปฏิบัติให้เข้าใจซะก่อน ร, รู้วิธีปฏิบัติแล้วรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรเพื่ออะไรจะทำอย่างไรเราก็ลงมือปฏิบัติไม่เคว้งคว้างไม่ลำบากเกินไม่รู้ว่าจะทำอะไรไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรไม่รู้ว่าทำอย่างไรก็สเปสะปะม้วนซัวไปเรื่อยวานามา1ิปี20สปีก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นยังจะภูมิใจอีกนะบางคนะเวนาตั้ง2ี3 0ปีก็เหมือนเหมือนเดิมนะ กิเลสก็อย่างเดิมอะไรๆก็เหมือนเดิมไปถูกได้ไงมันไม่ถูกหรอกธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ไม่เนิ่นช้าจำไปนะธรรมะของพระเจ้าไม่เนิ่นช้าถ้ารู้หลักนะแล้วทําถูกสมควรแก่ธรรมเนี่ยต้องเห็นผลรู้หลักอย่างเดียวไม่ปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติอย่างไม่สมควรแก่ธรรมะก็ไม่ได้ปฏิบัติแค่ไหนก็สมควรแค่นั้นแหละปฏิบัติศีลก็ได้ศีลนะปฏิบัติทานก็ได้ผลของทาน ทำสมาธิก็ได้ผลของสมาธิเจริญปัญญาก็ได้ผลของการเจริญปัญญาอย่างทำสมาธิหวังว่าจะได้ผลเป็นการเจริญปัญญาคนละเรื่องกันเหมือนปลูกต้นมะพร้าวนะอยากได้ลูกมะม่วงอะไรนีนะก็เพี้ยนะอย่างนั้นต้องรู้นะว่าจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรเรียนตรงนี้ให้ชัดนะสัดชัดชัดจากนั้นก็ขยันทำรู้หลักแนละ้วเราจะทำอะไรบ้าง จิตของเรามีสองอย่างนะสำหรับพวกเราในขั้นของการภาวนาเนี่ยการภาวนานะั้นมีสองอย่างมีจิตสองอย่างที่เราต้องทํา1คือสมถะภาวนาอันที่สองคือวิปัสสนาภาวนาเรามีงานสองงานไม่เราจะทําอะไรทําสมถะหรือทําวิปัสสนาทําเพื่ออะไรสมถะทําเพื่อให้จิตมีความสุขมีความสงบมีความดีนะแล้วถ้าทําเป็นเนี่ยดีสมบูรณ์แบบเพื่อจะตั้งมั่นมีเรี่ยวมีแรง มีปัทานาทำไปเพื่ออะไรนะเพื่อให้เห็นความจริงของรูปนามนะกายนี้ใจนี้รูปนามขันห้าบางทีก็แยกไปในแง่มุมอื่นแยกเป็นอายตนะอายตนะเอาเข้าจริงก็คือรูปนามอีกนั่นแหละแต่แยกแยกคนละแบบกันนะแยกเป็นขันห้าก็ได้แยกรูปนามเป็นขันห้าก็ได้แยกรูปนามเป็นอายตนะก็ได้แยกรูปนามเป็นาธาตุต่างๆก็ได้นะาธาตุที่เป็นนามธรรมก็มีเช่นะ าธาตวิญญาณาธาต์ทั้งหลายธาตแห่งความรับรู้พวกนี้เป็นนมามธรรมนี่ถ้าแยกแยกออกไปนะดูเห็นซ้ําแล้วซ้ํำอีกนะแยกไปเห็นใจ ร, รักษเห็นใจ ร, รักแล้าใจจะวางนี่การรู้รูปกับการรู้นามแตกต่างกันรูปรู้ลงปัจจุบันขณะรู้ความรู้สึกทางจิตใจเนี่ยรู้แบบปัจจุบันสัน ต, ติ ปัจจุบันขณะกับปัจจุบันสัน ต, ติไม่เหมือนกันปัจจุบันขณะก็คือขณะ น, นี้แหละอย่างเรายกมือเนี่ยถ้าใจเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะสติระลึกรู้โดยไม่เจตนาระลึกเห็นรูปนี้เคลื่อนไหวมันจะเห็นทันทีเลยว่าตัวที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่นี่กลังเคลื่อนไหวอยู่นี่ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอย่างบางคนแปลงฟันอยู่นะ แปลงอยู่สติระลึกปั๊บขึ้นมาเห็นอะไรตัวที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเพราะฉะนั้นรู้รูปเนี่ยรู้ลงปัจจุบันขณะนะถ้ารู้จิตรู้ใจนะจะเป็นปัจจุบันสันตติสัน ต, ติคือความสืบเนื่องสืบเนื่องกับปัจจุบันเช่นขับรถอยู่นะคนปาดหน้าโกรธโกรธขึ้นมาขณะที่โกรธเนี่ยสติไม่มีแน่นอนถ้าสติมีมันจะไม่โกรธเพราะฉะนั้นขณะที่โกรธเกิดขึ้นไม่มีสติ แตามาจิตอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นเป็นจิตที่มีสติรู้ว่าจิตตะกี้นี้โกรธนะต้องแบบทันทันกันนะไม่โกรธส ด, สดๆดร้อนร น, นี่แหละแล้วก็เกิดจิตอีกดวงหนึ่งรู้ว่าตะกี้นี้โกรธไปแล้วนะแต่ไม่ใช่เมื่อวานโกรธวันนี้รู้นะอย่างนั้นไม่เรียกปัจจุบันสันตติอันะขาดสะบ้านไปนานแล้วนะต้องเอาแบบติดๆิดติ ด, ต, ดตามหลังมันติดๆไปเลยนะแต่จิตตั้งมั่นเป็นคนดนะูตรงนี้แหละเขาเรียกว่าการตามรู้นะ ตามรู้หมายถึงเรารู้จิตดวงที่ดับไปสดสดร้อนๆ้อรู้จิตดวงที่ดับไปสดสร้อนรไม่ใช่มารู้จิตดวงปัจจุบันจิตดวงปัจจุบันรู้ไม่ได้รู้ไม่ได้จะรู้ได้ตอนเกิดอริยมรรคก่อนหน้านั้นไม่รู้หรอกงั้นดูไม่เหมือนกันนะดูกายดูลงปัจจุบันเลยสดสดร้อนร้อนเดี๋ยวนี้เลยดูจิตดูดวงที่ดับไปแล้วดับไปสดสดร้อนร้อน เผลอไปแล้วโกรธไปแล้วโลภไปแล้วนะกําลังเผลอแล้วรู้ไม่มีกําลังโกรธแล้วรู้ไม่มนะีมีแต่เผลอไปแล้วจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นมามีสติรู้ว่าจิตดวงตะกี้โกรธนะไม่เหมือนกันหรอกไม่ต้องพยายามดูจิตให้ทันเนื่อออกไหมเพราะเราตามดูเท่านั้นเองเราไม่ต้องพยายามดูให้ทันนะมันดูไม่ทันหรอก แ ล, ดดแล้วจิตนั้นเกิดดับเร็วมากเลยแล้วจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอันเดียวเองถ้าจิตไปรู้รอารมณ์ที่ทำให้โกรธนะไปรู้อารมณ <entrada> ์ที่ทำให้โกรธเสจแล้วเนี่ยจิตจะมามีสติรู้ตัวเองว่ากำลังโกรธเนี่ยไม่ได้มันไปรู้เห็นคนที่เราโกรธเนเห็นคนที่เราเกลียดนไปเห็นอย่างนั้นนะมันจะมารู้ว่าจิตกำลังเกลียดอยู่เนี่ยรู้ไม่ได้จิตมันรู้อารมณ์ได้ทีละอันเดียวองถ้าเราเข้าใจหลักของ ธรรมชาติอย่างนี้นะการปฏิบัติจะไม่ยากนักแล้วจะไม่เครียดไม่ต้องดูจิตให้ทันนะแต่ดูตามหลังมันเห็นหางมันไหวๆเนี่ยกำลังโกรธอยู่นะสติระ ล, ลึกขึ้นมาเห็นเรื่องความโกรธหายแวบไปต่อหน้าต่อตานะหนีแวบๆไปนะค่อยรู้นะคอยฝึกไปเรื่อยเองงั้นที่มาเรียนกัน3วันนะนะมาเรียนมาฝึกวิธีให้เกิดสติมาเรียนวิธีฝึกให้จิตตั้งมั่น แล้วก็มาเรียนวิธีรู้รูปนามนะรู้รูปรู้ต ร, รงปัจจุบันขณะรู้นามเป็นปัจจุบันสันติสติทำไงจะเกิดนะสติจะเกิดเมื่อจิตจำสภาวะได้แม่นทำไมจิตถึงจะจำสภาวะได้แม่นต้องเห็นสภาวะบ่อยๆนะเพราะงั้นอย่างเราหัดดูนะเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นบ่อยต่อไปเวลาเราเผลอนะร่างกายเกิดหายใจ เปลี่ยนจังหวะนิดเดียวสติเกิดเองเลยหรือร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกแต่มาเราเผลออย่างเราเห็นเพื่อนเราเดินอยู่โน่นเราจะก้าวเท้าไปไปคุยกับเขาเพราร่างกายขยับเทนั้นสติเกิดเองเลยรู้ว่าเมื่อกี้เผลอไปละเนี่ยหัดรู้สภาวะไปหรือหัดรู้สภาวะทางใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายดูไปเรื่อยเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงหัดรู้ไปเรื่อย ต่อไปพอจิตเกิดความโกรธขึ้นนิดเดียวสติะระลึกได้เองว่าโกรธแล้วหรือเกิดโลภเกิดโลภขึ้นนิดเดียวสติะระลึกได้แล้วว่าโลภใจลอยแวบเดียวสติะระลึกได้แล้วว่าใจลอยหัดดู บ, บ่อยๆฮัดดูบ่อยๆจนจิตจำสภาวะแม่นจิตจำสภาวะแม่นแล้วนั่นแหละสติจะเกิดอัตโนมัตินี่วิธีฝึกให้เกิดสตินะ สติจะเป็นตัวรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจในรูปในนามแต่ต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเกิดจากการที่เราอาศัยสตินั่นแหละไปรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่ไหลไปไหลไปทำอะไรไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปดมกลิ่นไหลไปริมรสไหลไปรู้กระทบสัมผัสทางกายไหลไปคิดนึกทางใจไหลไปคิดทางใจมีมากที่สุดในแต่ละวัน ไหลไปดูไหลไปฟังอะไรนี่ยังน้อยกว่าไหลไปคิดเวลาดูนะแล้วก็ชอบคิดต่อใช่ไหมเวลาฟังแล้วก็ชอบคิดต่อไม่ได้ดูไม่ได้ฟังก็นั่งคิดเอาเองก็ยังได้อีกเพราะั้นจิตหนีคิดเนี่ยเกิดบ่อยที่สุดเลยนะแล้วเราก็มาดูจิตที่หนีไปคิดไว้เป็นตัวที่เกิดบ่อยจะได้ดูได้ชํานาญได้ดูได้บ่อยจิตหนีไปคิดเรารู้จิตหนีไปคิดเรารู้ฝึกนี้นะจิตจะตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัติโดยไม่เจตนาให้ตั้งมั่นต่อไปจิตเคลื่อนนิดเดียวเห็นแล้ว เห็นปุ๊บมันดีดผางขึ้นมาตั้งขึ้นเองห้ามดึงเคล็ดลับอยู่ตรงห้ามดึงนะไม่ใช่เคล็ดลับเขาเรียกอะไรข้อควรระวังนะไม่ใช่เคล็ดลับห้ามดึงถ้าดึงมาจะแน่นจุกขึ้นมากลางหน้าอกนี่เครียดเครียดทําผิดแล้วสมาธิเครียดไม่มีหรอกสมาธิต้องผ่อนคลายงั้นถ้าจงใจดึงจิตหลงไปดึงปึ๊บเข้ามานี่แข็งปึ๊กเลยไม่ใช่แล้วทาผิดแล้วเอาแค่รู้ว่ามันหนีไปนะ มักลับมาเองแค่รู้ว่ามันฟุง้งซ่านสติระลึกรู้ว่าจิตฟุงนะ้งซ่านความฟุ้งซ่านดับความฟุ้งซ่านดับสมาธิก็เกิดก็แค่นั้นเองง่ายจะตายไปหลักมันนะง่ายไหมโอ้ถ้าไม่ฟุ้งซ่านก็สงบอะ่ะใช่ไหมก็ฟุ้งซ่านเป็นกิเลสใช่ไหมถ้าสติระลึกรู้ฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านต้องดับแน่นอนนะพอฟุ้งซ่านดับสมาธิเกิดนึกออกไหม งันวิธีฝึกสมาธินะที่ง่ายที่สุดเลยรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านไว้แต่อย่าไปฟุ้งซ่านซ้อนเข้าไปอีกนะเห็นมันฟุ้งซ่านบ่อยๆโมโหมันอีกเมืออม่อไหร่จะเลิกฟุ้งวะหรือหาวิธีใหญ่เมื่อไหร่ทํายังไงมันจะไม่ฟุงง้งทําไงจะไม่ฟุง้งคิดแต่จะทำอะ่นะถ้ารู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านสติะระลึกรู้ไว้จิตฟุ้งซ่านฟุ๊บขาดเลยตั้งมั่นขึ้นมาเนะี่ยแล้วก็ดูไปสติะระลึกรู้รูปลงปัจจุบันด้วยจิตตั้งมั่นนะ ตั้งมั่นอย่างเดียวไม่พอต้องเป็นกลางด้วยะระลึกรู้รูปแล้วเกิดยินดีขึ้นมาในรูปรู้ทันเกิดยินร้ายในรูปรู้ทันระลึกรู้นามแล้วยินดีในนามรู้ทันยินร้ายในนามรู้ทันเนะช่นกิเลสเกิดไม่ชอบเลยอยากทําลายมันเนี่ยใจไม่เป็นกลางล้ให้รู้ลงไปว่าไม่เป็นกลางนะกูศนเกิดแล้วชอบเนี่ยยินดีลนะ้ให้รู้ทันว่าชอบนะความชอบก็จะดับไปจิตก็จะเป็นกลาง งั้นต่อไปนี้เราก็จะมีสติรู้รูปรูปรป้นามนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นจิตตั้งมั่นคือจิตที่ไม่ไหลไม่ฟุง้งแล้วก็เป็นกลางนะอาศัยสติทั้งนั้นเยไยที่แรกเราฝึกให้ได้สติด้วยการรู้สภาวะทางรูปธรรมนามธรรมจนสติเกิดอาศัยสติมารู้ท่านความฟุ้งซ่านจิตก็จะตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วก็มีสติระลึกรู้รู ป, รปนามไปนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นจะเห็นไตรลักษณนะ์จำไว้ไหม มีซีดีให้ฟังไม่เป็นไรนะฟังฟังทีแรกอาจจะงงนะเพราะที่หลวงพ่อสอนนี่เป็นหลักวิชาทั้งนั้นเลยหลวงพ่อไม่ได้สอนรายละเอียดของการปฏิบัตินะเพราะอะไรแต่ละคนไม่เหมือนกันหลวงพ่อไม่เคยเจอใครที่ภาวนาแบบเดียวกันเลยอย่าว่าแต่พวกเราเลยครูบาอาจารย์แต่ละองค์ก็ไม่เหมือนกันหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์ทั้งส0มสองค์นะไม่เห็นมีองค์ไหนเหมือนองค์ไหนเลย ทางใครทางมันทั้งสิ้นแต่หลักนั้นอันเดียวกันเหมือนฝึกวิทยายุทธนะลูกศิกษย์สำนักเดียวกันอนะเรียนคำพีเล่มเดียวกันนะกระบวนท่าออกมาไม่เหมือนกันทีเดียวหรอกจะแตกต่างกันไปบางคนแขนสั้นบางคนแขนยาวใช่ไหมบางคนขาย า, ยาวบางคนขาข้างซ้ายยาวกว่าข้างขวาอะไรเงี้ยถึงเรียนคมภีรเล่มเดียวกันนะกระบวนท่าออกมาก็ไม่เหมือนกันหรอกใครถนัดอะไรก็อย่างนั้นนะกรรมฐานนี้เหมือนกันนะเรียนหลักไป แล้วไปดูว่าเปลือกหรือรูปแบบของการปฏิบัติอะไรเหมาะกับเราเห็นคนอื่นใช้เปลือกต่างกับเราอย่าไปว่าเขาเขาก็ดีของเขาดีสําหรับเขานะไม่ดีกับเราก็ช่างเขาไปไรส่วนมากไปทะเลาะ ก, กันที่เปลือกนะเช่นพุดโทดีหรือพองยุบดีหรือขยับมืออย่างหลวงพ่อเตียนดีเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้พวกภาวนามไม่เป็นแล้วถ้าทําถูกนะมันเหมือนกันหมดแหละลงที่เดียวกันได้แต่ทําถูกหลักนะทําผิดหลักก็ผิดเหมือนกันมาแหละ ไม่มีไม่ดีเร็วอะไรต่างกันหรอกนั่นเรียนหลักให้แม่นเรียนหลักให้แม่นเพื่อเอาไปภาวนาไม่ใช่เอาไปวิจารณ์คนอื่นใครเขายัางไงเรื่องของเขานะพระเจ้าให้สู้กิเลสของเราเองไม่ได้แค่ไปสู้กับคนอื่นอเชิญไปทานข้าวนิมนต์นะครับนิมนต์